เทศในที่ประชุมสูงวันที่สองกันยายนสองพันหรอยห้าณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีผู้ได้กําลังทางด้านจิตใจหรือได้็ติเครื่องเตือนใจของตนจะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ออกหาความยังหยาดพิเศ ในที่แห่งใดห่งนี้เป็นเวลาชั่วคราวแล้วเขามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบายแล้วก็ออกหาที่สงัดิเวศเมื่อเกิดข้อข้องใจทําส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการเข้าเข้าออกอ่โดยวิธีนี้จะได้อุบายขึ้นโดยลำดับ แต่ผู้ทจาบูบาอาจารย์ไปทั้งงที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้จะไม่สามารถนำตัวให้ปลอดภัยไปได้อันหนึงการมารับการศึกษาจากท่านพึงเป็นผู้มีสติคอยสเสนียกเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอด่องมองดูอากับรียา การกระทำของท่านและมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและมู่คณะ <c oughs> พอที่จะเป็นกติสอนใจได้มีความพยายามตกไปอยู่เช่นนี้ที่ว่าผู้มาศึกษาและจะน่าสติปัญญาเป็นเครื่องคําสอนตนเองในการทั้งหนา แม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาเนเพียงพอภายใ น, ในใจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านกุจธุระก็ไม่มีอันใด น, นอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้น โดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเมืองจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังดึง้งตนก็ตั้งใจมาศึกษาชั้นต่อมาเพราะอำนาจของจิตตัวบบอยางคือความเจ็ดครรภนเท่าแทกสิสงในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เลยล้มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่าน พอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายกินก็มีมากมีไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้หมูเพื่อนและครูบาอาจารย์เสียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านจดจำไว้พูที่มุงมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นสิยามรญาส่วนใดที่ท่านแสดงออกมา ต้องเท่าถึงจิตยึดไว้เป็นหนักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่ชื่อว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและกต่ความกังวลใสตนเองตลอดหูเพื่อนด้วยกันเมื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสีย ย่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเึ่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระอาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงวิตัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปเพราะได้ยินเสียงเสียบ้างเล็กน้อยหนึ่ง้งความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโปรดให้มั่งสองว่าท่านตรงกรางแห่งกิเลส บ, บ้าง สามเกิดความกลัวในท่านบ้างคืว่าท่านไม่น่าดูนสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นกลางแห่งพิริบบ้างแล้วก็เห็นนี้ไปเพราะความโง่เคล้าเป็นจัตเจดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องแบบกแนวไปเสียความจริงท่านลงไม่เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้ว เราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบาเสียงค่อเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่นั่นพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็ไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันที เรื่องเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฝ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความเฉลลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ <c oughs> แต่ละลายละลายมาให้ซ้ำกันควานิสัยของภู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกัน ท่านท่านจะวางมารา ย, ยาคำพูดคำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเพลียวฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะ น, นําบรรดาลจิต ท, ทั้งหลายให้ตรงกับจดมิสัยของจิตนั้นๆเพียเดียวกับนายแพทย์ผู้ม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆหายได้โดยยากเพียงแต่ทราบว่าโรค เท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดเพราะโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจํา น, นวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนานสําหรับนายแพทย์ผู้กราตัดที่จะนํามารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นายาขนานเดียวเท่านั้นไปรักษา <c oughs> แล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไร ถ้าเป็นโรคที่ควรรับยาน้ำดูบ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนาด น, นั้นแล้วยาขนาด น, นั้นต้องมีผิดอะไรกับน้ำธรรมด า, รรมราหรือวัตถุธรมรมดาถ้าเป็นนายแพทย์คุณพิาราเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมุฏฐานของโลคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียด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 มีลักษณะของในแพทย์ผู้ฉลาดต้องทามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำํำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้พก็ฉะ น, นั้นผู้ไปรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหม อ, อก่อนเรียนวิชาแพทย์ คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหลังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเกลียดอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจำนวนมากด้วยเรื่องของตูบาอาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความฉล า, าดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาผุ้มาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียว คำพูดทันทีเดียวกันหมดตลอดธรรมะก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียบาทเดียคาถาเดียวกวันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานนั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาแปาลลบเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างยาบอย่างจางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิ ณขัน้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียบาตเดียวคาถานเดียวเท่านั้นนี่เพิงทราบมาอาจารย์อยงค์นี้จะไม่สามารถนำบรรดาศิษย์ให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาเทเอุตสาพยายามมาเพึ่งพิงอิเหนาใส่กับอาจารย์อยงค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู้มาศึกษาว่า มีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาแปรลบและษณษณสนทนาซึ่งกันในการแม้จะไม่ทราบโดยยานก็ต้องทราบโดยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับเจตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผูน้นี้ต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้คู้นั้นต้องใช้วิริยาเมายตยากด้วยอย่างนั้นอย่างนั้น ตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาขึ้นไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจรารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างค้อยบ้างแรงบ้างเลอมายึดเอาเสียงนี้เีาว่าเป็นตัวกิเลสตัวตันหาและถือว่าเป็นค่าสิทธิ์อตนเอง นิ้นนำยังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งซึ่งจะกัดขีดเราไปเสียแล้วก็เพ็นนี้ไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกวันคิดดูใกลคๆตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเข็มแทงเราก็ยังรู้สึกเปปจ็บปวดแสบร้อนตามฤึธิของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันโรค บ, บางรายถึงต้องผ่าตัดโรค บ, บางรายเพียงรับทานยาก็หาย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 โรคเป็นดยูที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไข้ไปไม่ได้เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคื้นีต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราทานเข้าไปก็จะทราบเลยว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง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 จึเ ป, เป็นจิตที่บริสุทธิพุทขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดนักษาคนไข้ ห, หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆฉะนั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูวาอาจารที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาจิตผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้ สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาศิต์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใต้ต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะแปดหมื่นสี่พันะธรรมะขันทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความเฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอียดในรักษาโรคภายในใจของบรรดาศัษย์ให้หายได้ นอกจากนั้นยังกลายเป็นคนเมืองดีอีกเป็นจำนวนมาก ผ, ผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเพื่อความรุ่งใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะาก็อพอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียดคร้านทำงานเพื่อหาใน ไ, ได้ทั้งนับวชและคาวาด ต, ตามสมควรแจกเพศของตนพอผู้ทุพระพุทธศาสนา ตระองอยากขาดแคลนในเครื่องอุบโบคบริโภคและดำเนินการสองชีบไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสดงหาแางด้านไม่เพียงพอแต่การสองชีดหรู้นักปวดทำตนให้ขัดความรุ่งใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะเส้นดานเกิดจากเขาผู้ชอบเองและทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหาก ถ้าผู้สนใจใครต่อบพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัว <c oughs> อยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่เร่งเหยียดแย่มีเพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งตนที่เกือถือของประชาชนไม่มีใครระ แ, ว, แวงสงสัยเพราะมีทําในการ เช่นเดียวกับผู้มเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวกระหาที่เข้ามาอาศัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะแปดหมื่นสี่พันก็ธรรมขันพึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นํามารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างๆกันโรคหัวใจคือโรคที่เรศของคนในสัตว์มีมากมายเทียบกับคําว่าคนไข้คําเดียว เมื่อแยกประเภทของโรคจากคำวมาคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคำว่าโรคจิต ห, หมายถึงโรคกิ่เลิเครื่องบีบบังคับจิตใจไปแยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคกิเริดอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาะท่าในใจของสัตว์ที่เรียกว่าโรค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 แม่มันดาบิดาผู้บังเกิดเจ้าเนื่องมาแต่วันเกิดฆ่าในวันหนึ่งกี่ศกไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโลกที่เกิดมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโลกมันสูงขึ้นมากก็ทําความชั่วได้มากและจะทําได้วันยังค่าคืนยังลุ่มไม่มีความอิดนานอาัยต่อการทําความชั่วเพราะความดันของโลกมันสูงสุดขีดเมลอดไม่สามารถจะวัดได้ ในยแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคโประเภทนี้ทางนี้อธิบายเชิดเยียงให้มนดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากกิริยามารยาทสูงต่ำให้หยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญผมมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำมันน้ำค่าไว้ไว้ครองหงวัวใจของตนแมแต่ จ, จากครูบาอาจารย์ไปแล้ว ก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะพระศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนมีเพื่อนและประชาชน ท, ทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและลึดหลักไม่ได้ในการอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหนักยึดก็ลำบากนำพังความจดจาที่ได้จากท่านเท่านั้น ยังไม่พอที่จะนําปรับษาตัวให้คุ้มข้อสาคัญก็ให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภายใ น, นเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอดถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลํำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดจิตใจเลยนาทางการมาศึกษาจากขันานนั้นยังไม่เพียงพอแต่ความต้องการของเรา และยังไม่สามารถจะรักษาสุขของเราให้พ้นภัยไปได้อ่าจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอนันรุนแรงมากระทบเข้าจะอาจถึงคนเสียหายขึ้นในขณนะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านตป็นสิ่งที่หลงหลืมได้ไง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเนบ พกไว้เป็นดังนึ่งเนื้อที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นดังนั้นเนื้อ <Where S 1> จะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีจีระวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช่ามากมีที่เน็ตถื่ในพกเร็วเข้าหน่อยตัวนมีดเที่ยวถือไว้กับมือใ่าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้น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 ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราที่ยหยิบยืมสิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือต่อเสถียหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยว ก, กับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงๆลงืมๆ บางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาเชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้ว <c oughs> ก็จะนามาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีราักฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มาก ความวอกแวคอนแคลนเรือความมันไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันสุขทุกข์ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการึิษารณ์ลมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูกเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิมตายใจแต่สารกันเข้าเท่านั้นทำให้เกิดธรรมารลมภายในใจจนหาที่ตรงลงไม่ได้ผงคือความรุ่มร้อน ก็แสดงเตโขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดึบทุกแผลอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หรุดพ้นจากสิ่งแย่ล้อมบบนั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายใน ใ, นใจเป็นขั้นๆ น, นับ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 ก็อพอรักษาตัวได้การน้เวียงระวังภายภายนอกก็นับบันน้อยลงภูมีธรรมเป็นหนักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปจะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่รับรออการอบรมจิตใจจะรับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ชีวิตเดียวกันเรื่องที่คราวนี้ ขึ้นอยู่กับความเฉลี่นับครอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นในลายไปสภ า, าวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดยย่อมกลายเป็นข้าสิกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดยจนพอตัวแล้วยอมเหมือนพระพุทธเจ้าในสามวัตทั้งหลายท่านจ ะ, สะเสด็จไปที่ไหนไหน สิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านที่ไงเป็นท่าศิษเหมือนที่เคยกันมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเองเพราะอํานาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาเป็นเพียนพอเราทุกๆกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดน่าเป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาเพื่อปรบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้ลดละ แม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบาตต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจเป็นปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ม่รับการศึกษนาอุดมณ์ทำไปแบบงงๆปลาๆผลประโยชน์ที่จะทุนได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโด ย, โดยมากเึ่นที่ชอบตั้งตัวเป็นอาจารเสียแต่ อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดทีู่กต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนตนต น, นที่เพียงพอเน้นรู้ศึ ก, กําลังภายในใจของตวนว่าสมควรจะแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับมู่เพื่อนเพื่ออบรม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 นับแต่วัดวนรับโยมมันดามาบวดอยู่ด้วยเป็นเวลาหกปีเมื่อรู้จุดชนิดแล้วจึงพา ย, ยมมันดากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนครพนมซึ่งตนที่พักเดิมเดินทางไปโดยดลำหนักแวะพักบ้านหา้วยายอำเภอคำจีชั่วคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอส่งยมมันดาถึงบ้านแล้ว จึงเป็โอกาสให้ท่านได้ไปูจากมือคณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้สิบเอ็ดปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีวททัดโพธิสมพอรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจำพรรษาอยู่ที่อุดร อ, องค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรมัางน้องขามั้งพระกุณลครนบ้า ง, าางนนและได้กราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากัน เวลาท่านมาพักจามันสายอยู่อุดรสองปีและสกล น, นครแปปีน่าอุตสาสั่งสอนกระนแลนประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านหมานะภาพไปเลิกความสงบเป็นที่หน้าเริ่มใสอย่างนี้ไม่เคยแปรลบถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก็แสดงให้เห็นได้ ว, ว่ากำลังของท่านเพียมพอ ทั้งภายในใจและอุบายต่างๆที่จะนามาทำสมึนซึ่งนํำม่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแต่ผู้สนใจมุ่งํำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดการและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเห็นง่ายๆว่าทั้งเราคนมีภาระคือการทุก์ผลเพื่อแก้ไขตนเอง ทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กําลังตกอยู่ในความหิวหงายอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กําลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมู่เพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมู่เพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกําลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดี และนอนใจสำหรับผู้มุ่งตอนแดนพ้นทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สำหรับวิเวกคือสนามไทยของผู้มุ่งเอกลัก ร, รา์ในตัวเองจงตกเยื่อตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อนาชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วตรงนํำธงไทยคือวิราโคนิรโรโค นิพาหนังเข้าสู่วงโมกณะาด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไปจากกับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเขาเกือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาพถูมิใจตนเองและทุกท่านที่ทอไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานัน จึงสามารถสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจานวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจานวนมากและมีสายต่างๆกันจึงเป็นที่หนักใจแก่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยแต่พอพุมมุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถพููตามเห็นตามท่านในหลักในลักษณะ อาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั่นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยเราลงมาก็พยายาม ถ, ายถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามริสิตรปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเนี้ยวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอ ย, ยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัจข้อทำจากการเฉลี่ยศึกษาเลยก็มีจานวนมากท้งนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวิสัย ส่วนถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันไปจําโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุมาของอาจารย์ที่มาแนะานำ ส, สอนพวกเรานายมาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดดวงดูกำลังของตนเทียบกับภาระที่จะนามาแบกขามถ้าความฉลาดล้วพอบไม่เพียงพอเราอาจจะลุ่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้า เราไปช่วเขาด้วยความโง่ <c oughs> เราอาจจะล้มจนไปกับคนตกน้ํานั้นกว็ได้ดังนั้นพูดมาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักเวงความเพียรให้หน้าสติปัญญาเป็นความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปตองเข้าหาที่ฉันส น, นัดนี้และจิดต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่ง ใ, ใดมีต น, นกับ ธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในเอียบบททั้งหลายไม่ขาดว่าขาดตอนและไม่เสียเวลาไปออก็จิตตาเดีเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทาไปตามอัตโนมัติของตอนจะผิดทางอย่างน้อยก็เน้นช้าอย่างมากก็ทำตัวให้เสียเพราะความละเอียดแทงธรรมไม่ยึงจิตอยู่กับท่านผู้ดัง โปรดจไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคําพูดจาตีอย่ามเลยยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลัก็ทําำวินัยแล้วตรงถือหลักเหตุผลเป็นของสําคัญแม่เรามาศึกษาเพื่อธรรมะยานําโลกเข้ามาด้วยการนําโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองนีอย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกัน คำว่า น, นําโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านําทิศถิมานกะนั่นเองถ้านําธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้แคร์ต่อการศึกษาอตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวาด ก็เคยรักษาทุกวันด้วยความไข้ต่อสีข้างตนซึ่งต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับโดยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความส ง, งบที่สําคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาในเรื่องของปัญญาก็ต้องไข้ควรเมื่อสติดับไว้ ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือปัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยทายใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของประศากหนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเอง ต, ต่อไปความสี่เหลียดที่คลานเข้ามานั่งอยู่บนที่สักคือหัวใจใชแล้วความเพียรก็ล้มละลายหินก็กลายเป็นศูนไปเสียจะมาที่ก็กลายเป็นความ ไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเก็บค้านและเหยียดย่ําที่ตรงไหนแล้วทึ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาะอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้ตะเหลี่ยนแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอํานาจของฝันเรื่องของความที่เกยดที่ค้านเหมือนกันเช่นนั้น เพราะฉนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพราะศาสนามีความลึกซึ้งอยากม่เอียดแค่ไหนขอให้ทําตามแนวทางที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทิศสีเป็นเครื่องพยุงความเพียนทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองข <c oughs> ึ้นให้ตั้งสติ และบังคับติตใจของตนดูกับความเปลี่ยนพิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเหล่านี้ทันวัน ม, มีอาการสามที่สองผมขมยับฟันหนังเป็นต้นพิจานายอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมากามาสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็าตาม นั่นแลผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งภาษาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโตแห่งความเ พ, พ้อเพ้อเหเหื่มของใจงซึ่งคิดตรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มี ย, ยับยังเช่นเดียวกับคงค์จักที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดชนั้นใจเริ่มสงบ ก, ก็เริ่มเป็นจุข ถาเดินทางก็เริ่มจะถึงต้นไม้และท่าน้ําเพื่อการพักอาบดีบสมายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเล่นฝึกค้นด้วยปัญดาให้เป็นคู่เทียมกันไปคนแล้วคนคนเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคร่มาแครดกลับไปกลับมาจนมูลไถ่มูลแคร่แหลกละเอียดแล้วจพะพ่อปลูกหรือปักดําก็ควรเข้ากล้าหรือกิน ชอปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาไข่ควนกลับไปกลับมาไม่หยุดยัง้งผู้นั้นแหละใจแท้รับปุ๋ยคือความเยื้อเนี่งขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ไข่ควนอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยชินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เพลิดเพลินเช่นเดียวกับเศรีเพลินในรายได้ของตนแม้กํา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 เพลินดูแตบความเผดความดับของสภาวธรรมที่มีอยู่รอบด้านแอบประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาโดยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาเป็นเพียงก่อนแล้วมีจิดมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเซินที่แรกก็ต้องถูไถ่ายกันไปกดขี่บังคับกันต่ปเช่นเดียวก็เขาบังคับพูดต้องหาที่มีโทษหนักนั้นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลิน นั่งอยู่ก็เพลอนอนอยู่ก็เพลอเลี้่อเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นประจับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเปลียนทันทีไม่เอื่อยอายเนินายให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจงสามารถแก้กิเลสได้โดยิ้นเชิงเพราะอำนาจของความเปลียนไม่ลดละใจที่เคยอยู่ยได้อำนาจเคยอยู่ใต้อํานาจ แห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลาเป็นอิสระขึ้นมายังดูงเรื่องของตัวเองโดยถ น, นอดไม่มีลี้ลับกิเหลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านรวื อ, อยู่บนหัวใจมีอภิชาผู้เรืองอำนาจในแใ่พบเป็นผู้ฟรังวัตติกลักก็ได้ถูกทําลายลงด้วยมรคยานอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลาเป็นนิบาตขึ้นมาในขณะ น, นั้นภาพอัจฉ ร, ริย์ซึ่ง ปรากดขึ้นจากแดนแห่งวิมุตต์ไม่แผ่กระจายไปทั่วสัญญาพรางร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตต์ขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทําหน้าที่ปลดปล่อยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชาบังคับจองจำไว้ให้บิดน้อยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลําพังเงื้ประกาศความเสมอภาคให้ทั่วทิ้งกันหมดความตําหนิติดทมในสภาวะธรรมทุกประเภท ปรากฏเป็นเด่นอยู่ด้วยความเป็นต <c oughs> ป็นธรรมในสภาวะทั่วๆไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าชุก ข, ข้างวัตตะชุก ข, ข้างวัตตะก็ได้แต่แค่กราวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักบากท่านจึงไม่พูดพรามในที่ทั่วๆไป ก็ท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้านน้ํำลายซึ่งไปฟึ่งมาถึงกับขอางหาม้วนบ้าน้ํำลายก็มีมากมายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องฐานนี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเฉลาดต้องเฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอก จะเป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภยัยไม่มีเลยนคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่ข้องโลกบุตรทูัทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่ ว, ท, วทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงในตั้งนาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วทอนผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน ท่านนะพระที่มัไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออยากต้องการสุก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล้มนั้ลายไปทันทีแค่นั้นตรงอย่าเอาความขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทํางานด้วยจะไปทําลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่